ผู้มีวักดีพระพุทภาสิทธ์ปทวีสโมโนวิรุชติอินดะขี่ลูปะโมตาทีสุข พ, พโตพระหะโทวะอเปตะกะกัตดะโมสร้างสารานภวันติตาดิโนแปลว่าผู้ใดมั่นคงประดุษเสาเขื่อนปราศจากความยินดียินร้ายเสมือนแผ่นดินมีวัดดี ของใสดังห่วงน้ำอันปราศจากสมการเวียนไหายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เะนั้นผู้คงที่แล้วอธิบายกว่าธรรมดาแผ่นดินและเสาเขื่อนย่อมไม่แสดงอาการยินดี ย, ยินร้ายในเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปมันคงสภาพปกติอย่างนั้นฉันใดพระขีณาสพผู้คือผู้เซนกิเลตแล้วก็อย่างนั้น ท่านเป็นผู้ปราถจากความดีใจหรือเสียใจในลาบเสื่อมลาบในยศเสื่อมยศในสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ท่านเป็นผู้คงที่มีวัดดีพองใสประดุดน้ําที่ไม่มีฝนละอองเจือปนเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์สังสาระคือการเวียนว่ า, ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มั่นคงเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเทศานานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี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 พระเถระจับทักตนบ้างแต่ท่านก็ไม่ได้ทักภิกษุนั้นไม่พอใจและบังเอิญชายสังฆาติของพระเถระมากระทบเธอเข้าเมื่อท่านเดินผ่านเธอภิกษุนั้นจึงรีบกลับเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลฟ้องว่าพระสารีบุตรถือตนว่าเป็นอัครส า, าวกกระทบตนแล้วไม่ได้ขอโทษหีีไปสู่ที่จาริกแล้วพระาศาสดาทรงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้า ขณะนั้นพระมหาโมคคลานะและพระอา น, นุ์คิดว่าพระศาสดาจะไม่ทรงทราบก้าหาไม่ว่าพี่ชายของเราไม่ได้มีเจตนากระทบภิกษุนั้นด้วยถือตนว่าเป็นอัครส า, าวกแต่พระองค์คงมีพระประสงค์จะให้พระสารีบุตรบรรลือศีหนาดเป็นแม่นมันจึงรับสั่งเช่นนั้นดังนี้แล้วที่ประกาศให้พิกษุทั้งหมดประชุมกันพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค เมื่อพระพุทธองค์กลับถามคำฟ้องนั้นพระเถระมิได้ทูลปฏิเสธแต่กลับทูลเป็นทํานองพรรณนาคุณนักาถาของตนเป็นกลางๆว่าภิกษุใดไม่มีกายยกษตาสติคือสติระลึกถึงความปฏิกูลของกายภิกษุนั้นอาจกระทบเพื่อนพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกได้เป็นต้นแล้วประกาศสภาพจิตของตนว่า แต่พระโลกนาจาร้าข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมีความรู้สึกตนว่าเป็นเหมือนแผ่นดินรองรับได้ทั้งของสะอาดและของไม่สะอาดเหมือนน้ํานมและไฟโดยความหมายเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนผ้าเช็ดทุรีมิตรสาคัญตนว่าเป็นผู้สําคัญแต่ประการใดเป็นเหมือนเด็กจันทารที่ต้องทอมตนอยู่เสมอเหมือนโคอุสะพะ ที่เขาขาดเสียแล้วไม่ทำกําแหงทําร้ายใครได้ข้าพระองค์ อ, อึดอัดอยู่ในเรื่องกายเสมือนมีซากงูผูกอยู่ที่คอบริหารกายของตนประครับประคองให้เป็นไปได้เสมือนบุรุษถือภาชนะน้ำมันที่เพจรข า, าดเงื้อมดาบอยู่ข้างหลังคอยบังคับว่าถ้าน้มันหกเพียงหยดเดียวจะฟันคอให้ขาดข้าแต่พระโลกนาถ้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในตนอยู่อย่างนี้ เมื่อพระเถระพนานาคุณของตนด้วยอุปมาเก้าอย่างอยู่อย่างนี้แผ่นดินใหญ่ได้แสดงอาการสั่นสะเทือนน้อยถึงเก้าครั้งในขณะที่ท่านอุปมาตนด้วยผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานและผู้นำพาชนะน้ำมันนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพขณะนั้นความเราร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่พระเถระ เธอได้มอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและประกาศโทษของตนพระศาสนาขอให้พระสารีบุตรยกโทษให้พิสุนันเสียก่อนที่ศีรษะของเธอจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพระสารีบุตรได้ประกาศยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของท่านมีอยู่ก็ขอให้พิสุนันยกโทษให้ด้วยภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐไม่โกรธไม่กระทุ้ส้าย ภิกษุผู้กล่าวตู่ตนด้วยมุสาวา่าตัวท่านเองยังนั่งประยุงประคองอัญเชิญให้ภิกษุนั้นยกโทษเสียอีกพระศัสนาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคล้ายๆไม่อาจทําให้ภิกษุเช่นสารีบุตรโกรธได้เพราะใจของเธอมั่นคงประดุจแผ่นดินประดุจเสาเขื่อนและใจของเธอผ่องใสประ๊นน้ําอันงใสสะอาดปราศจากเปื้ตมหรือทุลีเจือพน ดังนี้แล้วปลัดพระคาถาว่าปทวีสโมโนโวิรุชติเป็นอาทิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น